อจากนั้นท่านก็นเลยตายคอนที่จะตายใบตะไคร้เนี่ยมันมาพันที่คอเลยเอมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เรื่องตัวเองคงจะค่องคงจะตุบตุบตมตอมอ ย, ยู่ในจิตใจเราไม่ได้แสดงอาบัติ เ, เมื่อเราไปทำอยู่ในเรายังไม่มีโอกาสที่จะแสดงอาบัติแต่พอตัวเองจะตายนะอใบตะไครนะ้น้ํามาพันที่คอ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 ตัวกระดูกหน้าอกเป็นยังไงกระดูกชี่โค้งมันมาอย่างไรมันออกมาจากกระดูกสันหลังอย่างไรดูกระดูกสันหลังพอกระดูกสันหลังกระดูกชี่โครงมันมาหุ้มปอดมามองหุ้มลำไส้มันมงหุ้มท้องเป็นยังไงกระดูกจากนั้นก็ลงไปหาเอวกระดูกเชิงกรานกระดูกสะโพกกระดูกขาขวากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกข้อเท้า